ขอนอบน้อมต่อพระรัตะนตรัยนะขอกลัาถวายความเคารพกับหลวงพ่อคาเขียนหนะุวงพ่อกลมพระอาจารย์ทรงศิลปพระอาจารย์บรรณชัยพระอาจารย์โนทแล้วก็เพื่อนสาธารมิกทั้งหลายเจริญพรมาไม่ชีนะฮะแล้วก็พวกเราญาติโยมก็ อนุโมทนากับความตั้งใจดีของพวกเราเนาะที่พาตัวเองเข้าวัดกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่ามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะการที่เราได้เข้าวัดก็เป็นเรื่องที่เราก็มันก็เรียกว่ามาในที่ที่ดีที่สุดกับกายกับใจเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ ดีมากๆแล้วแล้วถ้าเกิดยิ่งพวกเรามาพาตัวเองมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วก็พวกเราเองก็ยังได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อคำเขียนจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละตรงนี้ก็ยิ่งดีมากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าธรรมะที่ที่นี่ก็จะเป็นธรรมะที่มีไว้สำหรับการปฏิบัติกัน ไม่ได้เป็นธรรมะที่มีไว้สําหรับฟังหลวงพ่อคำเขียนก็ตั้งแต่โบราณๆเนานะตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อคำเขียนมาจะว่าคำโบราณก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อําเชียนมานานๆหลวงพ่อคำเขียนก็จะพูดคําน้อยๆเนานะแต่ว่าคําน้อยๆพวกนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อให้เราเอาไปปฏิบัติก็ไม่เคยนะไม่เคยมีลักษณะของการพูดให้ฟังเฉ ย, เฉย แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดพระพุทธเจ้าเองก็เวลาที่พระพเจ้าเองพูดธรรมะก็เป็นเรื่องข้อปฏิบัติทั้งหมดเนาะอย่างเมื่อกี้พระจันทร์ทองศิลก็พาเราสวดบทอภินญหปัจเจกเนี่ยนะก็เป็นบทที่แบบเราก็เริ่มต้นด้วยใช่ไหม ความแก่อย่างเงี tiempo, istas, later, ujemy, right ้ยใช่ไหมฮะเกิดมาปุ๊บก็แก่ทันทีเนาะวันหนึ่งผ่านไปเราก็แก่ขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเราก็แก่ขึ้นวันหนึ่งคือนับตั้งแต่เราเกิดมาจะเป็นเด็กหรือตอนนี้อะไรยังไงก็ตามเนี่ยเราก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้พิจารณากันหรือเปล่าเนี่ยเป็นความจริงนะเป็นความจริงของชีวิตซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ ก็เรียกว่าธรรมะก็คือความจริงของชีวิตเนี่ยเราได้เห็นไหมตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เราได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตตรงนี้อย่างเงี้ยนะพอแก่แล้วเนาะใช่หะก็มีความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยใช่หฮะอย่างนั้นก็ความเจ็บป่วยก็มีกันอยู่ใช่ะแต่ความเจ็บป่วยคือสัญญาณของอะไรก็คือสัญญาณของก็เรียกว่าความตายที่จะมาเยือน เราเจ็บบางทีก็เจ็บปังตายแล้วก็รอดมาเนาะบางทีก็เจ็บเล็กเจ็บน้อยเลือด อ, อกเลือดออกไปอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ความเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นสัญญาณก็เรียกว่าสัญญาณมรณะเนาะมันเป็นจดหมายเชิญนะเนาะว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต้องล่วงลับไปกัลณะนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะแล้วก็มาถึงเรื่องของความตายอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเป็นไปตามลําดับที่เรามีโอกาสได้เห็นกันเนาะบางทีความตายก็อาจจะไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเป็นของคนรอบข้างที่บางทีก็เอาเห็นกันหลัดหลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะัอย่างมันก่อนนี้ก็มีคนป่วยอยู่คนหนึ่งที่ที่อยู่ที่ท่ามไฟอย่างเงี้ยเนาะก็ปรากฏว่าคนป่วยคนนั้นก็มี ก็เรียกว่ามีคนมาเยี่ยมปรากฏ ว, ว่ามีคนมาเยี่ยมแล้วก็พอเดินออกจากบ้านไปไปถึงเวลาที่กลับนะอย่างเงี้ยเดินออกไปคนป่วยเขาก็นอนอยู่หน้าบ้านเขานะนอนอยู่ที่น้กชานหน้าบ้านคนที่มาเยี่ยมเดินไปไม่ถึงยนะี่สิบเมตรฮะถูกรถชนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วปรากฏ ว, ว่าคนป่วยคนเดียวกันเนาะ ค น, คนที่ตกรถชนตอนนี้ก็อาการก็อาจจะพอๆกับคนป่วยปรากฏว่าอีกวันหนึ่งก็มีคนคนเท่าอีกคนหนึ่งก็เดินมาเยี่ยมกันในฐานะเหมือนกับคนเท่าด้วยกันเนาะอย่างเนี้ยก็ปรากฏว่าก็อยู่บ้านห่างกันไปประมาณสักอืมไม่ถึงร้อยเมตรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ถึงร้อยเมตรก็ปรากฏว่ามาเยี่ยมให้กําลังใจกันปรากฏว่าเอา้าพออีกสี่ห้าวันถัดมาก็เสียชีวิตไป อย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็คือตรงเนี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับคนที่มาเยี่ยมจะได้ทันคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวตัวเองอาจจะล่วงรับไปก่อนคนที่ตัวเองมาเยี่ยมหรืออะไรทำนองนั้นเลยว่าคนที่มาเยี่ยมจะให้ทันคิดหรือเปล่าว่าอีกเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าตัวเองก็จะโดนอุบัติเหตุแล้วก็แบบว่าอืมก็ชีวิตก็เหลืออยู่ เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ความจริงของชีวิตก็เป็นแบบนี้เนาะความจริงของชีวิตก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็มีกรรมเป็นของตัวเนาะเราทดีก็ได้ดีเนียมันก่อนนี้มันปีใหม่วันที่13อาจาระจันทรัชัยก็บอกเนาะตรงเนี้ยเราก็ ลืมตาตื่นขึ้นมาในวันนี้ก็รีบทำดีกันนะรีบทำดีกันด้วยอะไรหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าตรงนี้แล้วเนาะเราปฏิบัติทำกันวันนี้ญาติโยมด้วยพระด้วยหมู่แม่ชีด้วยทั้งมัดก็น่าจะมีคนอยู่ประมาณสัก0 0คนถ้า200คนเป็นงานข้างนอกเนาะเป็นงานลื่นเลง <c oughs> ก็ห ง, งเสียงเกลียวกลาวไปหมดอาจจะหูอื้อกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ก็เราก็อยู่ในวัดกันเราก็จะพบว่าพอหลังจากที่เราพบหน้ากันต่างคนต่างแยกย้ายไปปฏิบัติส่วนตัวมุมของตัวเราเองเราก็จะพบว่าเออเสียงก็เงียบเหมือนกับไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยเนาะ่างนั้นะตรงนี้หลวงพ่อเขามเขียนก็อธิบายว่าพอเวลาที่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยได้อยู่ในการภาวนาเนาะตรงนี้ก็ทุกคนก็เหมือนกัน ะะทุกคนก็เหมือนกันรวเ น, นื่องจากว่าแต่ละคนก็อยู่กับการที่เรากําลังฝึกฝึกกายฝึกใจเราแต่พอเวลาที่พวกเราอยู่กับทั้งโลกเวลาที่เราอยู่กับทั้งโลกเนาะบางทีคนที่อยู่กับความหลงเนี่ยนะฮะก็หลงไปเนาะแม้ยังไม่อะไรนะเขาเรียกว่ายังไม่หลงเลยนะทั้งโลกก็มีอะไรล่อให้หลงเนี่ย แบบว่าเรียกว่าทุกเวลาทุกนาทีพอหลงไปใจแต่ละคนก็อยากกันไปคนละอย่างสองอย่างคนนั้นอยากอย่างนั้นคนนี้อยากอย่างนี้อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยหลายคนก็กลายเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จำนวนคนจริงๆจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งมีพระอาจารย์ที่เคยอยู่ที่วัดเราเนาะบอกว่าพอไม่อยู่ที่วัดเราเนี่ยก็ไปอยู่อีกวัดหนึ่ง มีพระอยู่ทั้งหมด6รูปแต่พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเหมือนมีอยู่สัก60สิูปแบบว่าคือความวุ่นวายของกองหคนตรงนั้นเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากใจที่อยากเนี่ยเราลองสังเกตดูมันเปลี่ยนแปลงไปต้องเรียกว่าแทบทุกวินาทีนะเดี๋ยวอยากอย่างานั้นเดี๋ยวอยากอย่างานี้เดี๋ยวอยากอย่างโน้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะฮะเราเองเราก็สังเกตกัน จริงๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่กายเวทนาจิตธรรมที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้แนะนำเอาไว้ให้นี่คือส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยแบบว่าสามารถที่จะเจริญสติกันได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ชี้แนะเนาะได้ชี้แนะเอาไว้ว่านี่เรามีอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีเนาะความทุกข์ความสุขก็ดีเนาะอย่างนั้นหรือว่าจะเป็น จิตที่มันเปลี่ยนไปก็ดีหรือว่าจะเป็นธรรมเนาะจะเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนทั้งหลายแหล่ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะหยิบออกมาเนาะหยิบออกมาพิจารณาสามารถเป็นประเด็นที่จะให้อ่ก็เรียกว่ามีสติที่จะคอยดูสิ่งต่างๆ น, นานาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราจะ ดูอะไรตรงไหนดูอะไรตรงไหนก็ตรงนั้นก็มีอยู่รออยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอันนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีตาเนาะที่จะใช้ดูแล้วหรื อ, อยังตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็โชคดีที่พวกเราก็มีหลวงพ่อเทียนเนาะเป็นผู้ที่แบบว่าเริ่มเปิดประเด็นของการปฏิบัติธรรมไปเลยนะ ดูกายที่เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพเทียนก็เริ่มสอนการเ็าเรียกการปฏิบัติธรรมผ่านการที่ให้เราฝึกเนาะฝึกการดูจริงๆแล้วเราก็เกิดมาปุ๊บนะถ้าเราตาไม่เสียเนี่ยลืมตาปุ๊บเราก็เริ่มมองเห็นแล้วละ่ะเจ็ดวันเนี่ยเด็กเราก็จะรู้ว่าเด็กอ่น อ, อนๆนะวันพัฒนาของตาก็จะเริ่มชัดเจนในเจวัน จากมันแรกๆที่เด็กก็อาจจะดูเบลอๆแต่ว่าพ่อแม่ก็จะพยายามที่จะให้เขาลองกรอกตาซ้ายกรอกตาขวาอะไรตานาๆเหล่านี้เริ่มจากสิ่งใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าตรงนั้นอะ่ะตาเราเนี่ยก็พัฒนาไปภายในเจวันก็เห็นอะไรแจ่มแจ๋วเนาะเด็กเล็กๆจะตาดีมากๆเลยเนาะมดตัวเล็กๆอะไรเขาก็จะเห็นกันอะไรเงี้ยในขณะที่ผู้ใหญ่ก็จากวันนั้นมามันก็เสื่อมมาเนาะเขาเรียกว่า ก็ความไม่เที่ยงก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็ใช้สายตาเนาะเราใช้สายตาทุกวั น, ท, วนทุกวันที่เราใช้สายตาตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เนี่ยสายตาเราก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแต่ว่าธรรมะเนี่ยจะเป็นคนใะอย่างกันที่บอกว่าการดูเนาะการดูทำในตัวเราเนี่ยก็จะสวนทางถ้าหากว่าพวกเราฝึกกันการดูของเราเนี่ยจากวันแรกที่เราเริ่มก็เรียกว่าเริ่ม ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนกันอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยผ่านไปผ่านไปถ้าหากว่าเราทําถูกต้องเนี่ยก็เขาเรียกว่าเราเองก็จะมีเขาเรียกว่าสายตาที่ชัดเจนขึ้นนะ้ำสามารถมีดวงตาที่จะเห็นธรรมตรงเนี้ยนะก็คือหลวงพ่อคําเขียนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็ได้เอาคําสอนเนาะของหลวงพ่อเทียนที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยก็มาสอนพวกเราเนาะตรงเนี้ยผู้ดูเนาะอย่าเป็นผู้เป็นเนาะ เพราะว่าชีวิตของเราก็อยู่กับการเป็นทุกข์เป็นสุขการเป็นทุกข์เป็นสุขการชอบการชังอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชีวิตพวกเราก็เกลือกก็เรียกว่าอเกลือกกลั่วกับเรื่องนั้นมาจนกระทั่งบางทีก็เป็นนิสัยติดตัวเนาะเป็นนิสัยต่างๆคนก็ต่างมีนิสัยต่างๆกันต่างๆกันคนนั้นก็ชอบอันนั้นคนนี้ก็ชังอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนั่นคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ เป็นนิสัยหนึ่งทั น, นี้ว่าพอเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างนิสัยใหม่ของเราก็คือนิสัยในการเป็นผู้ดูตอนนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้ตาดูแล้วละเพราะว่าการสอนที่บอกให้เป็นผู้ดูนะคงไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยได้ดูซ้ายดูขวานัดเที่ยวไปพิจารณาหาเรื่องราวต่างๆนอกตัวดูกันก็คงไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่บ่านั้นคือการดูตรงนี้ก็คือ การกลับเข้ามาดูธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเราดูธรรมที่มีขึ้นในตัวเราดูธรรมที่ดำรงอยู่ในตัวเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหัดก็หัดผ่านตรงนี้ละฮะผ่านการที่เราเรียกว่าเราเริ่มเคลื่อนไหวปุ๊บก็ดูกายนะดูกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้หลวงพ่อเขียนก็จะบอกบอกว่าถ้าเราดูทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ต้องรู้อะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนตรงนี้นะก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นสมมติ แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามเนี่ยพอเราดูเนาะสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราดูไปนานๆดูไปนานๆเนี่ยเราเองเราก็จะชัดเจนขึ้นเหมือนพวกเราเนาะมีเพื่อนที่เริ่มแนะนำให้รู้จักชื่อกันตรงนั้นก็เป็นการเริ่มต้นแต่ว่าหลังจากที่รู้จักชื่อกันแล้วคบกันไปนานๆเราก็จะพบว่าโอ้เราก็รู้จักกันมากขึ้นจริงๆชื่อก็เป็นพเพียงแค่ การแนะนำให้รู้จักเบื้องต้นแต่ว่าท้ายสุดเราก็จะมีเพื่อนสนิทบ้างเพื่อนไม่สนิทบ้างตรงเนี้ยนะเราก็จะพบว่านั่นก็คือการที่หลังจากเรารู้จักกันแล้วล้วก็จะเริ่ ม, มเลือกสิ่งที่เราชอบเลือกสิ่งที่เราตรงกับรสนิยมของเราหรือแอรองต่านานานเหล่า น, า น, านี้นั่นคือตรงเนี้ยนะ่าก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพยายามรู้จักอะไรมากมายแต่ว่าขอให้เราเนี่ยได้ตั้งมั่นที่จะเป็นผู้ดูตรงเนี้ย เราเองเราก็จะพัฒนาการดูของเราเนี่ยไปให้เป็นการดูที่ถูกต้องขึ้นเนาะเมื่อเป็นการดูที่ถูกต้องขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เราได้เห็นเนาะความเป็นจริงเนี่ยชัดเจนขึ้นการที่เราบอกบอกว่าอืมเราดูกายที่เคลื่อนไหวนะบางทีมันก็มีความสับสนนะในระหว่างที่เราบอกว่าเรายกมือ14จังหวะอย่างเงี้ยเนาะยกมือ14จังหวะนั่นก็คือมันบางทีมันก็ มีคำว่ากายเนาะที่เคลื่อนไหวบางทีมันก็มีคําว่าการยกมือ1ิบจังหวะมันนั่นนั่นคือตรงเนี้ยในขณะที่บางทีนักปฏิบัติเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มต้นขึ้นมาพอเรายกมือสิจังหวะเนี่ยเราเองเราก็จะมีคําว่ามือเนาะกำหนดให้เราเนี่ยไปตามรู้ที่มือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นอย่างนั้นไปสักระยะหนึ่งบางทีเราก็อาจจะเกิดการห้วงเหงาเศ้าซึมเกิดการ ก็เรียกว่าปวดหัวปวดหูกันไปบ้างอะไรตานานาเหล่านั้นก็ขอให้เรารูここうう้ว่านั่นมันก็เกิดการดูที่ผิดเนาะก็เรียกว่าการดูที่ผิดก็เราจะไปดูเฉพาะส่วนเฉพาะที่เนาะจิตเราแทนที่จะทํางานก็จิตเราก็จะถูกก็เรียกว่าขึงตรึงเอาไว้เนาะหรือแม่งก็ก็เรียกว่าเพ่งจ้องเนาะตรงเนี้ยก็ทําให้แบบเกิดอาการต่างๆนานาที่ผิดไปเพราะนั่นนั่นคือตรงเนี้ย ก็ ข, ขอให้พวกเราตั้งใจกันให้ดีๆว่าเออเรานะปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกขเราน้อยลงเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกมันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเนาะใช่ไหมอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เอ้เราก็ต้องใคร์ครวญนะแต่ว่าทำนองเดียวกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเนาะพระพุทธเจ้าเองก็บอกบอกว่าไม่ใช่บางครั้งพระเจ้าเองก็บอกชัดเจนนะบอกว่าเรารู้ไหมล่ะ ว, ว่าทุก มันเป็นยังไงทุกมันอยู่ที่ตรงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเองก็จําเป็นที่จะต้องแบบว่าพัฒนาการดูของเราเนะาะกันที่เราบอกว่าหลวงพ่อเทียนเนาะบอกบอกว่าเราเนาะแบบว่ามีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมารับรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ได้เริ่มแยกแยะนะมาเออนะเรามีเครื่องมืออยู่สองอย่างนะ มีกายกับมีใจนะตรงเนี้ยกายกับใจเนี่ยเครื่องมือ2อย่างตรงเนี้ยก็เป็นเครื่องมือที่เราเองก็ต้องแบบหยิบใช้ให้ให้ให้ดีนะใช่ไหมอย่าหยิบสับสนปนเปกันเครื่องมืออันนี้เรียกว่ากายเครื่องมืออันนี้เรียกว่าใจอย่างเนี้ยนั่นก็คือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องต้องมีเครื่องมือตรงนี้ดีๆเครื่องมือที่ที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นเครื่องมือที่อยู่ในกายเรามีอยู่เท่านี้เองนะ ค น, นี้ว่าเราจะหยิบเครื่องมืออันนี้ออกมาใช้ยังไงเราก็ต้องชัดเจนเนาะกับการที่มีเครื่องมือสองอันนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีสติเนาะเข้ามาช่วยช่วยให้เราเนี่ยเนาะเห็นความเป็นไปของกายเห็นความเป็นไปของใจตรงนี้ก็เป็นอั น, นิสงส์ของการเ็าเรียกว่าที่พวกเรามีหลวงพ่อเทียนเนาะที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็รู้เนาะ รู้ทำภายในเวลาเพียงแค่สองสองสามวันเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้หลวงพ่อเทียนก็ได้ก็เรียกว่าทุ่มเทเนาะก็เรียกว่าความรู้ของตัวเองตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้คนอื่นเนียได้รู้ตามซึ่งหลวงพ่อเทียนเองก็ยืนยันนะว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สามารถรับรู้ได้เพราะเนื่องจากว่า ไม่ว่าจะเป็นสติก็ดีไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นใจก็ดีเนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วเรียบร้อยอยู่ในตัวเองเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเมื่อเราเอา3 า, ามสิ่งมาใช้ด้วยกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยสติก็จะคอยแยกแยะนะเมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนาะเราก็จะคอยเนาะก็เรียกว่าเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนาะใจรู้ไหมรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมก็จะเป็นคาที่ที่นี่เนี่ยก็จะใช้กัน คำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นคำที่มีอะไรลึกลับมากกว่านั้นรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวจริงๆคำว่ารู้รู้ซื่อตรงนี้เนี่ยก็คือการรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันรู้ว่า <S 2> <S 2> เอ๊ะนี่คืออะไรยังไงเพราะถ้าหากว่ารู้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะอย่างนั้นว่ายกมือขึ้นก็รู้มีความเคลื่อนไหวก็รู้มีการหยุดนิ่งก็รู้ที่ บอกว่าเป็นจังหวะเป็นจังหวะตรงนี้เนะาะก็เป็นสิ่งที่มันก็มีการเคลื่อนครั้งหนึ่งมีการหยุดครั้งหนึ่งมีการเคลื่อนครั้งหนึ่งมีการหยุดครั้งหนึ่งตรงนี้นะมันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อนี่มีความเคลื่อนไหวเนาะตรงนี้เป็นการหยุดไม่มีความเคลื่อนไหว ม, มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งอืมก็รู้ได้อีกนะอีกทีนนหนึ่งตั้งฐตนานๆเนี่ยสิครั้งเนี่ยสิรู้ตรงเนี้ยโอกาสที่หนึ่งชุดของการก็เรียกว่า ของการ14จังหวัดเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไม่รู้ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่มันเคลื่อนตัวไปจนกว่าจะจบลงเนี่ยตรงนี้ก็ได้รู้กันแน่นอนเพราะนั่นคือตรงนี้นะว่าทําไมถึงจะรู้ทําไมถึงจะไม่รู้ถ้าหากว่าเราจะรู้ก็เพราะว่าใจเราเนี่ยได้มาเอาใจใส่กับการเคลื่อนไหวถ้าไม่รู้ก็เพราะว่าใจเราเนี่ยมันเผลอไปเนาะเผลอไปหรือเราจะเรียกว่าหลงไปก็ได้เนาะ แบบว่าหลงไปตามใจชอบใจชอบที่จะคิดนู่นคิดนี่อะไรก็หลงไปก็แล้วแต่เนาะว่าหลงไปไกลไกลมากไกลน้อยแค่ไหนก็หลงไปหมดแหละนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยในขณะที่เรากำลังเคลื่อนมือสร้างจังหวะกันอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าอ่อนี่นะเราก็จะอเออตรงนี้เขาเรียกกายนะออตรงนั้นใจนะที่มันหลงไปคิดนึกกันตรงเนี้ยเนาะพอเราดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกตรงเนี้ยนะ เราก็จะแยกเนาะแยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างกายกับระหว่างใจเนี่ยออกไว้อนี้นะตรงนี้เรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่ากายอันนี้เรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่าใจตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆชัดเจนในในตัวเราเราอยู่กับเขเรียกว่าร่างกายนี้ใจนี้กันมาตั้งแต่เล็กเนี่ย เราไม่เคยมีใครสอนนะให้แยกนะแยกว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดกับกายนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดกับใจตรงนี้ไม่มีใครเคยสอนให้เราแยกพอเวลาที่เราปฏิบัติธรเนี่ยการแยกตัวนี้มันเป็นการที่เราเพิ่งเริ่มต้นรู้บางทีมันก็สับสนนะเราก็ไม่รู้จะรู้ไปทําอะไรแต่ว่าหลวงพ่อเขมเชียนก็บอกว่าอย่าเพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ้าอยากนั่งอย่างนี้นะ ซึ่งตรงเนี้ก็เป็นคําที่สะดุดหูมาตั้งแต่แรกนะได้ยินเออหลวงพ่อก็พูดง่ายๆนะฮะอย่าเพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ้าอยากนั่งก็จําได้ว่าในครั้งนั้นก็มีคนถามส่วนขึ้นมาทันทีเลยนะเอ้าแล้วเมื่อ้นเมื่อไหร่จะได้นั่งเมื่อไหร่จะได้ลุกใช่ไหมฮะตรงเนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เออหลวงพ่อเขียนก็อธิบายต่อทันทีนะหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าก็สมควรนั่งก็นั่งสมควรลุกก็ลุก จะมีหัอย่างเนี้ยอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าโอ้นี่นะจริงๆแล้วแค่อาการกริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการนั่งการลุกเนี่ยมันก็ทำให้เราแยกแยะเนี่ยความเป็นไปของกายกับความเป็นไปของใจเนี่ยได้ชัดเจนนะตรงที่ว่าเออบางทีนะบางทีเราก็นั่งมาพอสมควรใช่ร่างกายมันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนาะต้องลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือบางทีเราก็ผุดลุกผุดนั่งเพราะว่าเป็นอาการของใจนะที่มันอยากนั่งบางทีมันก็อยากลุกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราได้สังเกตอาการกิริยาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราก็จะพบว่าบางครั้งมันก็เป็นความจําเป็นของกายเนาะนะนะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ใจอะ่ะมันอยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตรงเนี้ยว่าไอ้ความจําเป็นของกายก็พุทธเจ้าก็บอกว่านี่มันเป็นทุกข์ทางกายก็ต้องบรรเทาให้เขา แต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของใจที่มันอยากเ <c oughs> ขาเรียกว่ามันก็เป็นทุกข์ทางใจเนาะที่มันก็บีบคันนะ้นเนาะให้แบบว่าเขาเรียกว่าใจมันทนไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็อยากที่จะเปลี่ยนไปทําเรื่องราวอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยครว่าถ้าหากว่าเราได้ค่อยๆเนาะแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยผ่านอาการกิริยาเดิมๆนี่แหละเนาะเราจะพบว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของกายนะ บางทีมันก็เป็นเรื่องของใจนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็แยกเนาะแยกแยกกันออกไปแยกกันออกไปเราดูอาการของเราบางทีจะเป็นการกินข้าวก็ดีจะเป็นการอาบน้ำก็ดีอะไรต่างๆนานาเ่านั้นบางทีมันก็เป็นความเป็นไปความจำเป็นของกายบางทีมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความอยากของใจตรงเนี้ยเนาะถ้าหากว่าเรามีดวงตาเนาะที่จะมองกลับเข้ามา ดูธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตรงเนี้ยที่เราจะฝึกผ่านที่เรียกว่าการที่เรามีสติคอยดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะคอยเอาใจมารับรู้กายที่เคลื่อนไหวมีสติคอยดูกายที่เคลื่อนไหวมีสติคอยดูใจที่คิดนึกตรงเนี้ยเนาะเราก็จะพบว่าเราก็จะค่อยๆนะก็เรียกว่าชัดเจนขึ้นก็เรียกว่าเราก็เหมือนกับว่าเห็นเนาะเห็นธรรมที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเราเองเนี่ยก็มีกายมีใจตรงเนี้ยเนาะเป็นตำลาหลวงพ่อําเขียนก็บอกบอกว่ามีสติเป็นนักศึกษาเนาะมีกายมีใจเป็นตําราตรงเนี้ยตาราอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเนาะพัฒนาผ่านการดูของเราผ่านการดูของเราเรื่อยๆถ้าหากว่าหลวงพ่อําเขียนบอกว่ามีกายมีใจเนาะเป็นตําลา มีสติเป็นนักศึกษาตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเป็นตำราใดๆก็ตามเนี่ยเราก็อย่าไปอะไรนะ mm. ก็เรียกว่าอย่าไปเก่งกว่าคนเขียนตำราเนาะอย่าไปขูดค่าคิดลบอย่าไปเปลี่ยนแปลงคาที่คาต่างๆนานาในตารานั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนแปลงคาต่างๆในตารานั้นตำรานั้นมันก็ไม่เป็นตำราที่ เราตั้งใจที่จะดูใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอ้คำนี้มันไม่ดีนะเราขอเปลี่ยนหน่อยคำนั้นมันไม่ดีนะเราขอเปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราเกิดเปลี่ยนทําใจอย่างเนี่ยตารามันก็คงไม่เป็นตำราที่เราเราต้องการรู้ละแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นเองเนี้ยนั่นั่นคือตรงนี้นว่าในขณะที่เราคอยดูกายที่เคลื่อนไหวคอยดูใจที่คิดนึกอยู่เนี้ยบางทีเราก็จะพบ เราก็จะมีไอการเอเออะอของความไม่พออกพอใจที่เกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอยากทําให้มันเป็นอย่างนี้อยากทําให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างงี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้รู้ว่านี่เรากําลังจะแก้ไขตำลาเนาะตําลาที่เรียกว่ากายตําลาที่เรียกว่าใจอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราก็ค่อยๆนะค่อยๆวางใจดีๆเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรเนาะ ไม่ช้าเนาะไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราเองเราก็อืมเขาเรียกว่ามีโอกาสตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ผุดเกิดให้เราได้เห็นอยู่เขาเรียกว่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนั่นคือเราเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกังวลใดๆนะว่าเราจะไม่รู้เพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ย เราดูเมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นเราดูเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นธรรมชาติของใจเนาะก็เป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้าเองก็บอกมันเหมือนลิงอยู่แล้วเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้ธรรมชาติของใจเนี่ยเราจะให้เขามาหยุดมานิ่งอ่าคงเป็นไปไม่ได้แต่พอตรงนี้เนี่ยเราฝึกกันเพื่อให้ใจเนี่ยเขามีสํานึกที่จะกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเมื่อมีสํานึกที่กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเราฝึกเนาะไม่กี่วันเนี่ยเนาะถ้าหากว่าเราฝึก อย่างต่อเนื่องฝึกอย่างต่อเนื่องไม่กี่วันเนาะเราก็จะพบว่าโอ้เราก็มีก็เรียกมีนิสัยนะในการคอยกลับมาดูความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราแต่พ่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราเองเนาะเราก็จะเป็นข้อก็เรียกว่าคนชอบตัดสินนะคนชอบสรุปเนาะเราไม่ค่อยทําตัวเป็นก็เรียกว่านักสืบนะที่ค่อยๆหาข้อมูลแล้วค่อยสรุปเนี่ยเราเห็นนั้นๆก็ตัดสินไปเลยชอบชัง เราเห็นอันนี้ก็ตัดสินไปเลยว่าดีไม่ดีเนาะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เมื่ อ, อก่นอนน่ะเราก็ใช้ตาดูใช้หูฟังอะไรที่เราชอบเราก็เรียกว่าดีอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เรียกว่าไม่ดีตัดสินทันทีเราจะพบว่าถ้ากว่าเราลองสังเกตตัวเองแบบนี้นะการตัดสินของเราเนี่ยจะเป็นการตัดสินที่ใช้เวลาสั้นมากเลยแล้วก็ตัดสินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตรงนี้หละการตัดสินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตำราเนาะ เป็นการเปลี่ยนแปลงตำราเป็นการที่เราเข้าใจเอาเองยังไม่ทันอ่านตำราเข้าใจแต่เข้าใจว่าตำราก็เขียนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าพวกเราเองก็ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆถ้าพวกเราเองพาตัวเองเข้ามาเข้าวัดเนี่ยพาตัวเองเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องห่วงนะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเป็นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ถ, <PTSD> ถ้าหากว่าพวกเราคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเป็นอันนั้นพวกเราก็ตกอยู่ในความคิดแล้วใจเราก็อยากจะหาคําตอบแล้วนะเมื่อใจอยากจะหาคําตอบเนี่ยใจก็จะไม่ได้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกความคิดเนี่ยแย่งออกไปใจก็จะไปสนใจอยู่กับความคิดไม่ได้มาสนใจอยู่การเคลื่อนไหวของกายเมื่อไปสนใจอยู่ความคิดโอกาสที่ เราจะได้เขาเรียกว่ามีสติตั้งมั่นอยู่กับความเคลื่อนไหวของกายที่จะเป็นเป็นไปเพื่อให้เราได้ทำก็ เ, เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันก็หมดไปเพราะว่าเราเองเราก็จะไปมีนิสัยจมอยู่กับความคิดพอจมอยู่กับความคิดก็จมทุกข์จมสุขต่งตางๆนาน า, น า, นานเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของโลกไปเพราะนั้นคือตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเองเนาะที่พวกเราตั้งใจกันเนี้ยพวกเราก็ อย่างที่เรียกว่าเข้ามาอยู่ในวัดอาจจะแต่งสีนั้นสีนี้ต่างๆนานาพระก็สีเหลืองแม่ชีก็สีขาวญาติโยมก็มีสีสันต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยอย่าได้แบ่งแยกนะว่าสีนั้นหรือสีนี้เนี่ยจะเป็นไปอะไรนะก็เรียกว่าจะมีโอกาสบรรลุธรรมมากกว่ากันก็ขอให้พวกเรารู้ว่าจริงๆแล้วตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่ว่าพวกเราเนี่ยมีกายมีใจเหมือนกันทุกคนเรามีสติเหมือนกันตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราตั้งใจ ที่จะเอากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นตำราและมีสติเป็นนักศึกษาเนี่ยพวกเราก็จะค่อยๆนะเขาเรียกว่าพัฒนาเนี่ยการดูของเราเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจทรมากขึ้นนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงแม้ว่าชาตินี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นชาติสุดท้ายนะที่เราเกิดอีกเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะเนาะตรงเนี้ย ก็เป็นเรื่องที่กรรมดีตรงนี้ก็จะก็เรียกว่าคําพบคําชาติต่อไปก็เรียกว่าเป็นวาสนาให้พวกเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติทำกันแต่ว่าทํานองเดียวกันตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยใช้เวลาใช้เวลานะกับเรียกว่าอยู่กับความรู้สึกตัวตรงนี้อยู่กับความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้สึกนะเมื่อใจเนี่ยมาอยู่กับกายเมื่อใจมาอยู่กับกาย ตรงนั้นเองเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยได้ลองสังเกตเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวขณะนั้นเนาะปัจจุบันขณะนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันขณะจริงๆแล้วก็ปัจจุบันขณะตรงนั้นนะมันจะไม่มีความคิดที่เป็นทุกข์เนี่ยเข้ามากวนเราตรงนั้นก็จะเป็นสภาวะที่สั้นๆเนาะที่เราเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขอะไร ไม่ทุกไม่สุขอะไรตรงนั้นเป็นสภาวะที่ดีมากๆเลยหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรนะเอาไม่ทุกก็พอละละอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นคือตรงเนี้ยก็ขอให้พวกเราชัดเจนกันนะว่าชีวิตนี้ของพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพวกเราหาความสุขอะไรกันยังไงแต่ให้พวกเรามีเป้าหมายที่พวกเราเนี่ยจะหาความไม่ทุกข์กันแล้วก็ตรงเนี้ยพระเจ้าเองก็สอนเอาไวนะ้เนาะ สอนเรื่องเดียวก็คือสอนเรื่องทํำยังไงให้ไม่ทุกขนะ์เนาะอย่างนี้หลวงพ่อเทียนเองหลวงพอ่อคำเขียนเองครูบาอาจารย์เองที่นี่ทุกท่านเนาะก็สอนเรื่องนี้กันทั้งนั้นเพราะดังนั้นคือตรงเนี้ก็ขอให้พวกเราชัดเจนกันว่าพวกเรากําลังเดินทางนี้กันที่มีเป้าหมายของความไม่ทุกข์เนี่ยเพราะดัง น, น, น, นั้นคือตรงนี้ก็ให้เราสังเกตความเป็นไปเนาะเราทำอะไรแล้วเราเพิ่มทุกข์ให้กับตัวหรือเปล่า <Daddy> เพิ่มทุกข์ให้กับตัวหมายถึงว่าเพิ่มทุกข์ให้กับกายไหม เพิ่มทุกข์ให้กับใจไหมก็แยกไปอย่างเงี้ยเนาะอ๋ออันนี้เราทําอันนี้เพิ่มทุกข์ให้กับกายก็เราก็ทำยังไงก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกายซะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเพิ่มทุกข์ให้กับใจเนาะถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่าอใจก็ผ่อนคลายเองนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้พัฒนาการดูของเราตรงเนี้ยนะพัฒนาการดูของเราตรงเนี้ยเนาะดูดูกายดูใจดูกายดูใจดูกายดูใจตรงเนี้ยไป ตรงเนี้ยนาก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้การดูตรงเนี้ยพาพวกเราเนี้ยไปถึงจุดที่เราเรียกว่าพ้นทุกเนาะไปถึงจุดที่เราเรียกว่าไม่ทุกกันก็ขอให้ความเพียรของพวกเราตรงนี้นะพวกเราทุกๆุกคนที่เพียรเรื่องนี้กันเนี่ยก็ไปถึงที่สุดของกองทุกด้วยกันทุกๆุกค น, นก็กลับพระพร้อมกัน